เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่ 14, สิบเอ็ดถึงสิบสี่สัมมาวาจาเย็นวันหนึ่งฉันอยากออกกําลังกายและสูตรอากาศที่สดชื่นบ้างจึงเลือกขี่จักรยานเสือหมอบไปตามถนนหลังหมู่บ้านซึ่งสองฟากฝั่งจะอุ่มเขียวด้วยแมกไม้นานาพันธ์ขณะขี่จักรยานฉันก็ทบทวนไปด้วยว่าองค์มรรคที่ว่าด้วยสัมมาวาจาของฉันเป็นอย่างไร มีไหมที่ยังพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาบและพูดเพ้อเจ้อก็ตอบตนเองว่าดูเหมือนเรื <Oy DJ> ่องพูดเพ้อเจ้อย <S at Kelsey> ังมีบ้างเป็นครั้งคราวเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับสมาชิกในครอบครัวแต่เป็นนิสัยในการพูดเล่นแบบเก่าๆที่ยังหวงไว้เพื่อรักษาบรรยากาศเดิมๆมากกว่าจะไร้สติแบบขาดลอยฉันมองแบบทบทวนย้อนไปในอดีต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 ก็ต้องว่าเป็นจิตที่หลอกตัวเองว่าแน่แต่แท้จริงคือจุก อ, อกด้วยอาการราแวดระวังจัดเป็นชีวิตที่อุดมทุกแบบหนึ่งแต่อกุศลธรรมก็บังตาให้เห็นเพี้ยนเป็นสนุกน่าตื่นเต้นไปได้คนสมัยนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นโกหกกันจนไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดถึงขั้นคิดว่าใครจับได้ก็ช่างเพราะทั้งบ้านทั้งเมืองจะผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เป็นเหมือนเหมือนกันไปหมด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 เมื่อได้ยินใครพูดคำหยาบจิตยอมรู้สึกไปว่าบุคคลผู้นั้นมีจิตหยาบและพล่อยปรุงแต่งให้จิตคนฟังหยาบตามดังกล่าวแล้วว่ารากของคำหยาบคือโทสะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเกิดในชาติตระกคูณที่ไม่จำเป็นต้องสั่งสมนิสัยปลดปล่อยคำหยาบไม่พรังร่งพรูก็สมควรฝึกตนให้พูดเฉพาะคำเยี่ยงสุภาพชนเฉพาะจิตที่คิดพูดหยาบส่วนใหญ่